ชีวิตกับความตายเนอะมันน่าจะเป็นสิ่งที่สิ่งที่คู่กันคล้ายๆกับหน้ามือกับดังมือเมื่อมันยังมีมือมันก็มีหน้ามือแล้วก็ดังมือชีวิตกับความตายก็เป็นสิ่งที่อยู่ด้วยกันอยู่เสมอเหมือนกับโตกใบนี้ก็มี กลางวันกลางคืนสลับกันไปสลับกันมาเพราะว่ายัางมีโรคอยู่ก็เลยต้องมีทั้งกลางวันกลางคืนเพราะว่ายัางมีมือก็มีทั้งด้า น, านหน้าแล้วก็ด้านหลังพเพราะเนื่องด้วยการต้องเวียนไหยไทยเกิดอยู่ก็มีทั้งเรื่องของการมีชีวิตแล้วก็การสิ้นชีวิต แต่ี่จริงมันมันจะเป็นเรื่องที่เรื่องความตายเป็นเรื่องที่น่ากลัวหรือเปล่า<ม>ในหลายๆคนก็คงเป็นเรื่องที่กลัวแต่ถ้าเราลองกลับมาถามตัวเองโดยเรากลัวอะไรนถ้าจะต้องตาย ก, ากลัวกลัวกลัวชีวิตต่างความตายหรือเปล่าหรือว่ากลัวต้องพัดผ้าจากสิ่งที่ตัวเอง มีแต่เองเป็นในตอนนี้อยู่หรือกลัวเพราะว่าไม่รู้นะไม่รู้ว่าจะไปในที่ไหนบางทีสิ่งที่ทัให้เราทุกข์ใจนะก็คือความกลัวนี่แหละกลัวเนื่องจากความที่ไม่รู้ว่าจะต้องถ้า <c oughs> ถ้าจะต้องตายไปมันจะไปอยู่ยในภพภูมิไหน หรื อ, อตายไปแล้วจะไปเจออะไรบ้างหรือทิมก็กลัวตั้งแต่ว่าตอนที่มันจะตายมันจะตายด้วยด้วยอะไระหรือว่ากลัวว่าตายด้วยความทรมานหรือว่าอไอ้ต่างสารพัดเนาะซึ่งมันก็คอยหลอกล่อให้เราให้เรามีความทุกข์ใจไปร่วงหน้า แต่จริงที่เราลองทำความรู้จักกับความกลัวในจิตใจของเราดีๆมันก็จะเห็นว่าความกลัวในหลายอย่างมันก็เกิดจากการปรุงแต่งในจิตนี่แหละการปรุงแต่งในจิตมันเกิดจากอะไรถ้าย้อนไปดีมันก็เกิดจากความยึดมั่นถือมั่นในความมีตัวตนของเราเองนี่แหละในความมีตัวตนของเราเองนี่แหละแ้วเราก็รักแล้วก็หวงแขน ม, มีตัวตนของเราเองไว้อย่างเหนียวแน่นมันไม่รู้ขีดพบกี่ชาติแม้จะต้องเวียนว่ายใยเกิดมันไม่รู้กี่ครั้งแล้วแต่ความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนของเราเนี่แหละมันเป็นสิ่งที่เหนียวแน่นมากจนเรียกว่ามันคอยทำให้เกิดความทุกข์ใจพอเรามาลองมาศึกษาดูดีเราจะทำวิธีไหนทำอย่างไรถึงจะ ขายความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนออกเสียได้ถ้าเราขายความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนออกได้ผมก็เชื่อว่านี่แหละมันจะเป็นหนทางที่ที่จะทําให้ความกลัวในจิตใจของเรามันลดน้อยลงไปจนทังอาจจะไม่มีก็ได้เพราะว่าอะไรสิ่งที่เรากลัวที่สุดคือกลัวการสูญเสียตัวตนนี่แหละกลัวความสูญเสีย แต่สิ่งที่มีสิ่งที่เป็นนะสิ่งที่คุ้นเคยนกะลัว ค, ความสูญเสียสิต่างๆเหล่านี้หรือกลัวเพราะว่าอืมไม่รู้ว่าต่อไปจะไปเจออะไรบ้างกลัวสึงอนาคตที่จะต้องเจอในเบื้องหน้าเราลองสารวจตัวเองดูดีๆนะแล้วก็จะเห็นว่ามันยังมีสิ่งต่างๆเหล่า น, นี้อยู่ แต่แม้จะมีความกลัวเกิดขึ้นในใจนอแต่ก็ไม่จําเป็นว่าเราจะต้องทุกใจนะเนื่องด้วยความกลัวเสมอไปเราใส่ความกล้าเป็นตัวนําหน้าดีกว่าเอาความกลัวเป็นตัวนําหน้าถ้าเราเอาความกลัวเป็นตัวนําหน้าชีวิตก็มีแต่ความหวาดภวาวาดภาวากับความไม่นิ่ไม่เที่ยงหวาดภวากับความไม่แน่นอน วัดภาวะกับอันตรายหวัดภาวะกับความตายแต่ถ้าเราเอาชีวิตเอ่อที่เอาความกล้าเป็นตัวนําหน้าความกล้าจะทำให้เราเรียกว่าท้าทายกับการดํารงชีวิตท้าทายกับการพั ก, พกสูญเสียท้าทายกับความตายที่ต้องเกิดแน่นอนแต่ความท้าทายไม่ใช่เป็นความประมาท แต่เป็นความท้าทายคือการที่เตรียมใจที่จะรับมือกับสิ่งต่างเหล่านั้นเมื่อเจอเหตุการณ์ตรงนั้นแล้วความกล้าจะเป็นตัวนำหน้าทาให้เรารู้จักที่จะอยู่กับสถานการณ์นั้นนั้นได้อย่างมีสติเพราะถ้าเราไม่มีความกล้าแล้วสติก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ แต่ถ้าเรามีความกล้าเกิดขึ้นสติก็จะตามมาสติก็คือความระลึกได้เระลึกรู้ว่าตอนนี้จิตใจเป็นแบบไหนแม้จะมีความกลัวเกิดขึ้นในใจแต่พอสติรู้เท่าทันสติก็คงก็งจะทำหน้าที่ควบคุมไม่ให้ความกลัวมันเกิดเป็นความหลงล้านเป็นความตกใจเป็นความที่คิดอะไรไม่ถูกทำอะไรไม่ได้ แต่ถ้าสติกเกิดขึ้นทันปติก็จะเรารู้นะว่าจิตตอนนี้ควรที่จะนิ่งก่อนนะคนที่จะไม่ตกใจคนที่จะไม่ทุกข์ใจนะเมื่อมันควบคุมที่จิตให้เป็นปกติได้ก็ใส่ปัญญาเข้ามาจัด ก, การในการแก้ปัญหาในการเผชิญหน้ากับสิ่ ง, งต่างๆตรงนั้นเมื่อมีปัญญาในการเผชิญหน้ากับสิ่ ง, งต่างๆเหล่านั้นมันก็ทําหน้าที่อย่างดีที่สุด แต่ก็ทำหน้าที่อย่างเป็นอุเมขาด้วยทำแล้วก็ต้องยอมรับผลที่เกิดขึ้นด้วยบางทีมันทำแล้วผลอาจจะเป็นสิ่งที่ไปในทางที่ดีหรือสิ่งที่ไปในทางที่ไม่ดีเป็นสิ่งไปทางที่คาดหวังหรือไปในทางสิ่งที่ไม่คาดหวัง แต่ปัญญาก็ต้องยอมรับความจริงนะปัญญาในการที่ต้องมีอุเบขามากากับยอมรับความจริงที่เกิดขึ้น <c oughs> แม้เราทาแม้ทาดีที่สุดแล้วผลมันเป็นไปอีกแบบหนึง่งก็ต้องยอมรับความจริงว่าตรงนั้นคือความจริงที่เกิดขึ้นเมื่อเรายอมรับความจริงได้มันก็เกิดความปล่อยวางเกิดความไม่ทุกข์ใจแต่ถ้าจิตไม่ยอมรับความจริงจิตก็เกิดเป็นความทุกข์ใจของเขา ทั <c oughs> ้งนั้นการเผชิญหน้ากับความจริงก็ได้เป็นเรื่องที่ท้าทายนะท้าทายส ต, ติท้าทายปัญญาท้าทายอุเบกขาหรือจะว่าจริ ง, รงก็คือท้าทายการภาวนาของเราเนี่แหละนะเพราะว่าเราภาวนาเพื่ออะไรเราภาวนาเพื่อจะยึดอะไรหรือเราภาวนาเพื่อที่จะปล่อยเราภาวนาเพื่อที่จะผ่งแหนตัวตน รเราจะภาวนาเพื่อที่จะสลั ด, ดับละทิ้งตัวตนต่างๆออกไปจากจิตใจให้มากที่สุดเราต้องเอาเหตุการณ์ต่างๆอันนี้เป็นเครื่องพิสูจน์เป็นเครื่องท้าทายดูว่าการภาวนาของเรามันมันอ่อนหัดหรือว่ามันเรียกว่าเข้มแข็งมากเมื่อขนาดไหนแม้ตอนนี้เราจะประเมินตัวเองอยู่ในขั้นไหนก็ไม่เป็นไรหรอก แตอยากให้พวกเราได้ลองท้าทายกับกับสิ่งต่างๆในชีวิตดูเพราะว่าเรื่องต่างๆในชีวิตมันไม่เกิดขึ้นในวันนี้วันพรุ่งนี้อนาคตมันก็ต้องเกิดขึ้นเป็นธรรมดาความพัดพลาดสูญเสียกับคนอื่นกับสิ่งอื่นมันก็ต้องเกิดขึ้นแน่นอนหรือถ้าเขาไม่พัดพลาจากเราเราก็ต้องพัดพลาจากเขาไปมันเป็นความเป็นธรรมดาแน่ วันนี้มีชีวิตนะแต่ก็ไม่รู้ว่าตอนไหนจะเสียชีวิตมันเป็นเรื่องธรรมดามากของชีวิตอยากให้พวกเราได้เตรียมใจให้พร้อมกับทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้องเผชิญนนะไม่วันนี้วันพรุ่งนี้หรือวันไหนๆก็ต้องเผชิญกับมันแน่นอนสิ่งสําคัญคือต้องเตรียมพร้อมให้ได้มากที่สุดเท่าที่ทําไดนะ้แต่จะเตรียมพร้อมให้ถึงที่สุดหรือเปล่า นะอันนั้นก็เป็นเรื่องของของการภาวนาแต่ขอให้ทําใจว่าจะทําให้ดีที่สุดนะแล้วก็ให้ทําใจว่าจะต้องทําให้ได้ด้วยนะแต่จะทําได้เมื่อไรนะมันก็เป็นเรื่องที่คาดการไม่ได้แต่ขอถ้าถ้าเรามีความมั่นใจในศักยภาพของธรรมะเอนะธรรมะจะเป็นตัวช่วย ปดปล่อยนะความทุกข์ใจความยึดมั่นถือมั่นออกจากจิตใจถ้าเรามีความมั่นคงว่าธรรมะจะช่วยคุ้มครองนะอาจจะไม่คุ้มครองร่างกายให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแต่เชื่อว่าธรรมะจะคุ้มครองให้ไม่ทุกข์ใจเมื่อเจอปัญหาเมื่อเจออุปสรรคเมื่อเจอแบบทดสอบถ้าเราเชื่อมั่นในพระธรรม ทำ ส, สั่งสอนของพระพุทธเจ้าเชื่อมั่นในความจริงนะแล้วเราทําตามสิ่งที่เราเชื่อนะก็คือปฏิบัติธรรมตามสิ่งที่เราเชื่อตอนนั้นแหละจะเป็นตัวคุ้มครองที่ดีที่สุดจะเป็นตัวคุ้มครองให้จิตใจไม่ทุกข์เมื่อเจอกับปัญหาเมื่อเจอกับอุปสรรคเมื่อเจอแบบทดสอบเมื่อเจอความทุกข์ใจธรรมะจะช่วยเปลี่ยนแปลง สิ่งต่างนี้ให้กลายเป็นความไม่ทุกขนะ์ให้กลายเป็นความสงบให้กลายเป็นความดมเย็นได้แม้ภายนอกนะสิ่งภายนอกเราจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่สิ่งที่เราน่าจะทาได้คือการเปลี่ยนแปลงจิตใจให้ไม่ทุกข์จนกระทั่งสิ่งที่สำคัญที่สุดคือรักตัวตนออกไปให้ ไ, ได้นะ พราะตัวตอนนี้มันเหนียวแน่นจริงๆเนาะเราสำรวจเลยแล้วว่ามันเหนียวมันเหนียวมากจริงๆมันเหนียวจนเนืรอทั่งเล็กๆน้อยๆมันมันมันยึดทุกสิ่งทุกอย่างเนะยยึดทุกสิ่งทุกอยางเพราะเป็นตัวเป็นตนอลกเล่นของกิเลสตันหามันมีมากมายจริงๆถ้าจะว่าแบบ <c oughs> ย่อๆเนี่ยอย่างที่อาจารย์พุทธทาท่านว่าไว้ มันไม่ใช่คําพูดที่พูดเร่งๆพูดสนุกจริงๆเนาะความที่เรียกว่าตัวกูของกูเนี่ยมันเหนียวจริงๆนะตัวกูของกูทุกสิ่งทุกอย่างทั้งรูปธรรมก็ดีทั้งนานมธรรมก็ดีเนี่ยความเป็นตัวกูของกูมันมันคอยหอกร้อนให้กลายเป็นความทุกข์จริงๆหรือจะว่ายภาษาหนึง่งว่าความเห็นแก่ตัวนี่แหละนะมันเป็น มันเป็นชื่อโดยรวมของกิเลสตัณหาเพราว่าได้ความเห็นแก่ตัวนะเห็นแก่ตัวเพราะมันรักตัวนะมันห่วงแหนตัวจริงๆนะมันก็ทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อสนองความเห็นแก่ตัวนะเราจะว่าเราก็รักคนอื่นเราจะว่าเราก็ให้คนอื่นมันก็ใช่แต่ถ้าสำรวจจริงๆถ้าเรายังมีการให้ไม่มีการรักคนอื่น แต่ก็ยังแฝงความเห็นแก่ตัวในบางอย่างบางทีให้เพราะว่าหวังว่าเขาจะให้เราคืนให้เพราะว่าหวังที่จะได้อะไรที่ดีกว่าสิ่งที่ให้ออกไปรักคนอื่นก็เพื่ออยากให้เขารักตัวเราบ้างช่วยคนอื่นก็เพื่ออยากให้เขารู้สึกดีกับเราบ้างมันก็ยังมีนะเป็นธรรมดาแต่บางทีก็ไม่มีนะ ขนาดที่ให้แบบนั้นเมื่อทีก็ไม่มีก็เป็นธรรมดานแต่เราก็อาศัยเนี่ยให้เห็นจิตใจมันรู้สึกอย่างไรก็อาอให้รู้ทันมันไปนจิตใจมันมันเห็นแก่ตัวมากเมื่อขนาดไหนเราก็ต้องฝึกจนกระทั่งจิตใจมันเห็นแก่ตัวน้อยลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งเอมันไม่มีตัวให้เห็นนมันมีแต่สิ่งที่กระทําแล้วก็ ไม่มี ท, ทำแล้วเพื่อที่จะนองอะไรกลับคืนมาแก่ตัวแกต่แกตน ต, ต, ตรงนี้นะการภาวนาก็จะเป็นสิ่งที่ตรงกับเป้าหมายที่พระพุทธเจ้าท่านท่านวางไว้ท่านสั่งสอนพวกเราไว้เนาะให้เราเชื่อว่าถ้าเราทําตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเรายึดธรรมะเป็นเป็นเครื่องชี้นําชีวิตนะในการบวชในการปฏิบัติธรรมของเราเองก็ดีนะ เราอาศัยพระธรรมคำสัสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นเครื่องนําทางชีวิตให้เอาตรงนี้แหละเป็นที่พึ่งนะที่พึ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่แท้จริงไม่มีหรอกนะมีแตนะ่พระพุทธพระธรรมแล้ว พ, พระสงค์ถึงจะเป็นที่พึ่งที่แท้จริงให้กับจิตใจของเราได้เราเอาเอาใส่พระรันาตนตรัยนี่แหลเป็นที่พึ่งนะให้จิตใจเกิดความสงบให้จิตใจเกดความไม่ทุกข์ พร้อมที่จ ะ, ะเผชิญกับทุกสิ่งทุอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตจะเป็นวันนี้วันพรุ่งนี้หรือวันไหนๆก็แล้วแต่เอาตรงนี้แหละเป็นตัวใช้ในการดำเนินชีวิตจะในพบนี้ก็ดีพบในไห น, ไหนก็ดีถ้ายังไม่สิ้นพบสิ้นชาติก็ต้องอาศัยอรันาตน์ไตเนี่แหละเป็นเครื่องนําทางชีวิตเนาะให้พวกเราทุกคนได้เตรียมตัวเตรียมใจเตรียมพร้อมที่จ ะ, ะเผชิญกับ ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตนะแต่วันในในก็แล้วแต่ก็ให้ลึกว่า <c oughs> จะตั้งใจทําให้ดีที่สุดในวันนี้นี่แหละนะอย่าไปรออย่าไปประมาทว่าจะไปรอทําวันพรุ่งนี้หรือเราทําปีไหนให้ทําให้ดีที่สุดในวันนี้ในตอนนี้นะไปเรื่อยนะจิตใจเราก็จะเข้าถึงเรียกว่า ความไม่ประมาทจิตใจเราก็จะเข้าถึงความพร้อมนะ่ะที่จะเผชิญกับซื้อๆทุกสิ่งทุกอย่างนะด้วยใจิตใจที่สงบออได้นะก็คง <c oughs> พูดกันแค่